พระพเมธนากร น, นีท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมพโนโแสดงโปรดคณะมอมหลวงจิตตินพงศ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2588ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี สนาถ้าจะเทียบกับด้านล่างก็เหมือนน้ำที่สะอาดทีเครื่องสัาพเป็นเปสะตกทั้งหาให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นติดใจ มีลักษณะเชื่อมียงกันกับด้านบับตกไม่ต้มีความสมองความสระกอบภายในตัวอี ก, กถพราะถกครอบอครองการทำระบตุก ในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันอาสาบุกคนท่านมันน่าใบเพราะทางนี้เป็นทางที่คือโดยของสิที่จะตกทั้งหลายและผู้ที่จะยังิีงที่จะตกให้ตกทึ้นพันเ็งก็เป็นผู้ทำานด เดียกันทางนี้จิงเป็นทางที่ลากดึงหรือเดินได้สะดวกของสิ่งจะกระโลงทั้งหมดทางตะเทียบทางายมากก็เหมือนอย่างทางที่ผู้คนฉันอนไปมาตลอดอยู่แล้วยอมในโลกภูมิย่งเพราะอาไวคนอยียกยั่งผ่านไปมาที่ไหน ทางของมนทินที่ผ่านเขา้าผางออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดาย แต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจข้งตนให้เป็นไปด้วยความสะอาดหน้าบูรณาคนจะเป็นเองและบุคคลผู้อื่นนะั้นต้องมีครูใหญ่ใจเป็นผู้ช่วยแนะนำสังสอนยังนั้นธรรมะคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือน เพื่อักพอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากกระพพาะไตเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของห็นธรรมนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักพอกตะเื่นแล้วยังต้องนะอุบายวิธีให้ทุกอย่าง โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยมันเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นคนมีลำดบับสามแบบทั้งหลายทําหน้าที่แทนพระองค์ท่านยัถ่ายทอดเป็ น, น, น, นลําดับลำดามาถึงถึงอาจารย์ที่ทำในจุดปฏิบัติองค์ของท่านสมควรประเป็นกี่ยึดเอียงน้าใจของประชาถิ่นมาถ่ายทอดมาเป็นบลนำดับถึงพวกเรา จิตใจที่รับการสรัพยพร่อเป็นลำดับด้วยคุงงามความดีตามเปราว่าของประเภทเจจารย่อมกลายเป็นใจิตใจที่นุ่ ม, มืองต่อตนเองจะคิดจรดตุงเรื่อง ก, การงานใดๆจะพูดจากกิริยามารยาการกระทําทุกอย่างกลายเป็นของที่น่านดูเป็นหเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการตกผลทรัพยพรอกมา แต่ขึ้นควรแล้วดังนั้นนับปราดทั้งหลายท่านจึงีิยมการชุดหลมหเลี่ตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมาม้วนผมแม่จะแปกเปลื่นก็แปะเปลืนนองเดยตนเอง ้าลาักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เาหมองต่างๆซึ ง, งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตัวเองนั้นก็เนื่อจากต้นเองเป็นผู้สะสมขึ้นมา เมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีค่อยมีความสงียบาหีความตั้งใความเย็นตบเก็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้ากอกราเป็นเนื้อผ้ากีสะอาดมีสีนุม่มเนื้หน้าช้าหน้าลื่นหน้าหอม และใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่ารับถูกภายมากอีกมากมายแต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นมาถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินไม่เคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาที่เคยเป็นยังไงมายังไง คิดที่ถูกดีชั่วมันทราบเรื่องราวของตนเพราะความ ค, คิดชินที่เป็นมาแลนะ้วนั้นนี่ทํารียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดับแรงจิตใจให้ผิจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทําธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลําบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธทางเจนังกัจฉาน้นั่นคือองค์แหงใจนะักอันเประยเสมือของพวกเรา การดำเนินของพระองค์ท่านการบำเพ็ญเพื่อความตรัสรูมาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงโดยตรัสรู้วิทีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมา แก้ไขนี้ดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการสเสด็จออกจากประศาสตรการพัดราบจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหนยรยมดวงหระไทยของพระองค์ท่านและพระลูกแล้ว ทำไมจะไม่เป็นการฝืนกติธรรมนาต้องเป็นการฝือนอย่างนี้งฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันปรื่องและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมนีคุณค่า มีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเฉดิบไปได้ด้วยด้วยความปลอดภยัยน่เป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบนื้องต้นฝืนจนโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดิน พื้นอันดับต่อไปก็คือพือ้นจิตพื้นใจม่ให้เป็นอารมณ์ของใหญ่ในบริษัทบริวารสมบัติพระสถานสิส่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระฉายาและมีพระรูปหลักเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังบนกลงนแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความจักสรูปแม้จะ มีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจําเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนดูนั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอน การเสวยสิ่งใดใดไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์ นอกจากนั้นยังจะปื้จิตปื้มใจมให้คิดให้ตรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาหพยายามเข้มแข็งทางด้านความภาพความเพียรแม้จะอดประกาหานตามประยะท่านกล่าวไว้ว่าสี่จิตเก้าวัน คนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถเจ้าฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอานาจพรบารมีของของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการถุนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึงสามครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระไถยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชาวังให้จิเรตัญหาอาสวะครอบําพระไถย และเป็นผู้จับจองวัตตะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธทางแทนางังคาฉานของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวากมนภาพเอาเท่เ พอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้ า, าเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธทเจ้าจะมีมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งสิงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วๆไปจิตของสัตว์บางตระเภคอาจจะคิดเป็นเรื่องของพระพุทธทเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรา นีความฝืนเช่นนี้แลท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข่าศึ ก, ศกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นจิเรตัญหาอาสวะซึ่งครองพระไทยของทพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลาดับ จนไม่มีอะไรเหลือในพระไทยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมนาที่โลกทั้งหลายจมอยู่มีเราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังแทนนังคัามิข้า พ, พเจ้าขอถึงสิ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นแสนนะธรรมังแท่นนังคัตชามิข้าพเจ้าขอถึงสิ่งพระธรรมว่าเป็นแสนนะ สังครังฉะนงังคัดฉามิขะพเจ้าขอถึงซึ่งพระสมว่าเป็นชนะจึงควรทำหนึ่งถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินได้ฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความลได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทาคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำ มีความขยันหมั่นเพียรด้วยความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสตราของหลัาถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ทอถอยด้อยในทางการดัดแรงนหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทัน นั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์ เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยขู่ด้วยความภาคความเพียนความกึกษาภายาเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจท้องตนไปได้โดยลําดับจะยากลำบากขนาดไหน เราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดน้ำขั้นทางตัวเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าฝากน้ำที่มีอยู่ในหนนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอํานาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทาง <S 2> <S 2> <S ที่จะทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในตาโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอแต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อํำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข่ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผล และในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อดแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหงวัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอเนืวงไม่ได้ตลอดกาลผูจะดำเนินตามหลับตามหลักธรรมของพระพุทธิจา้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธิจา้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีปป มีความสว่างสวัยเหนือสิ่งใดใดในโลกหนึ่งทมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นคณะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นทีตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบความหลักธรรมของพระพธุธกา ไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามประประตัตนะนี่แดเป็นที่ยึดมั่นและเป็นแสนะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธทางแค่นังคัจฉามิแล้วก็ เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความชิดค้มนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการาเนินของหลักก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเอง ต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าสำคัญนะเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งคามดื้อดึง ต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและขระว่าเพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงดือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่ากิจผู้หนึ่งผู้ใด ท, ที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นทันแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสังสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรา งานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเทจา้าที่เดชทรงบาเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเทจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้ว ยังเป็นบุคนคลนตัวอย่างของโลกให้เด็กกราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคย จ, จืดจางเราผู้เป็นลูกศิษย์ของประสาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสสารจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับ จิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกําลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็ น, นลํำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจําใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายาม รู้ซึ่งกันละกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำบบนับลำดับกิเลสตัณหาจะพอตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ้มรุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไป แต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการหอบลมดุดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดงคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อย ในทางความภาคของเพียงผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็าตามเป็นนักบวชหรือคารวะกว็าตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม่ที่สุด คัติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคัตินั้นมาเป็นเครื่องข้ามสอนเ่าใบไม้ล่วงลงมาจากขั่วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องข้ามสอนตนเองกิริยาที่ล่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั่วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้ เรื่องชีวิตจิตใจสังสั์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจําตนเป็นลําหนบลําหับๆๆเช่นเดียวกับกลางหันหมุนไปไม่หยุดยัง้จงจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของพาดของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมา ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกกระทำทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิอิจชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัอยวะตลอดสภาวะทั่วๆไป ทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดภูมิสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคโรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลหบักเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตอนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยเดินนั่งนอน มีทีพระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนเท่าองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสต ร, ราขึ้นมาก็าเรานี้มีศาสต ร, ราเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบทล่าวไว้ในธรรมะมาแปดหื่นสี่พันธรรมขันล้วนแลนบตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทางนั้นทําไมจึงต้องสอนเหล่าเพราะเรื่องมีอยู่กับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจริงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภยัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับกำลับฉะนั้นเรื่องของปัญญา คือจะไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายในจริงควรให้แนบสนิดกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือ ความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็เรียกก็ร้องตามเสียงของประเภทของตน แต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกจนคนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกประกาศอยู่เช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้ นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็าตามแต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกขบีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเหล่านี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกขบีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบาย หายทุก์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตรตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้น และเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่ยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซุมทราบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก่อ คุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักผ้าเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ซักได้ถูกซักพอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักคอกคือสติปัญญา ได้ซักพอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองเลยก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าแลสาวกอรหันตั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักพอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วน แห่งการอบรมหลัดแรงหรือซักพอกของผู้มีความเพียรนั่นนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็น่าสึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็ น, นำลำบากลำบถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกข์นั่นก็ เป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกขนั้นได้ด้วยอํานาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้ที่สุดทุก์ทั้งใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกทางทา่าทางขันซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกัน เพราะธาตุขันกับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมซาบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเนี่นี่ทุกข์ทางใจของเราทุกทุกท่าน ก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรมันงแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ทางใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกข์ทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข์ข้างนอกหมดไปทุกข์ข้างในยังมี พิจนาก็าถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายโดยทางปัญญาทุกข์ถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยเฉยไม่ได้ไม่ว่าทุกข์ทางกายกาจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกคล้องของกายขึ้นมาทุกข์ก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตาม ความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกขให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทําทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตําหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทยัยคือให้ตังสมทุกเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกข์นั้นเป็นตัวสักขีพยาน แล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกนี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุใดเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสีย อ, อกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไรความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อน เข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกคือเรื่องของใจที่ ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกสังสมเรื่องของสมุทัยสังสมผิดทุกขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่ ส, สังสมตนเองโดยอิสร ะ, ะเซติเซลีซึ่งไม่มีอะไรขั้นกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแลปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่ แสดงตัวก็เพิ่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ผิดทุกถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสําคัญเราจะทำทำลายโรงงานนี้เราจะทํำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหมุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีคตคนะพจเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่ว ความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเรา เรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาที่จะนาให้รอบคอบเป็นลําดับไปเอาวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีเช่นความดีใจเป็นต้น ไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับอจุปนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสําคัญสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วย วิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจนานณะจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก จะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทําความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุ ท, ทยัยคือความมะรอบครอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทําให้ กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉากทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะ ความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกน่ะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของ มายาของจิตมันแสดงตัวมายาเป็นเพื่อการนำเนินไปด้วยความราบลืน่นจงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญา จะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทําความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เรา เห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มากีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทรไทยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอชื่อว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่ เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั่นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ่วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่า สิ่งที่ปรากฏนี่แลกกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่นบับดนึ้งหรือเป็นทางเดินของปัญญาเราเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนก ว, ว่าปัญญาของเราได้รอบคอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับหลกฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอานาจของปัญญาที่รอบคอบต่อตัวเอง ทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นตุหรือภาระเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นตุสมุทอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชา นั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอํานาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งทั้ที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นถะที่ออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทําลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับรลังอิธรรตตายติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะได้แก่ทํหมดนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลง ก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมุดทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตตเราจะไปหาวิมุตตที่ไหนนอกจากจะทำลายสมุดออกจากจิตใจเสียโดยชินเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตตขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตต์คำว่าวิมุตกับนิพพานนี้เป็นไมพุทของกันและกันท้ายแทนกันได้ เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมยพน์ที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วๆไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพานหรือพระรหรัรก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิต ได้เดินสุดขีดแห่งสมมติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นมีมุดหรือจิตถึงมีมุดเมื่อขันยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สาเร็จสอุปาทิเสสานิภาัานจิตสินต้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมติภายในจิตจิแต่ความสมมติในธาตุขันยังสมบูรณ ทันเดียว่าสัพพาทิเสสนิพัทธจิตก็ถึงมีมุดปุดพ้นจากสมมติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันก็ได้สลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นทันเดียว่าถึงอนุอนุปาทิเสสนิพัทธหมดทั้งสมมติภายนอกหมดทั้งสมมติภายใ น, นสมมติภายนอกได้แก่ธาตุขัน สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องนึ้ง น, นี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมตุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไหร่ธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจ ธรรมธรรมคือปฏิปทาเครื่องนำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังมงจะต้องนำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุชิตังพระมจรียมดกิตในพระคมจัน์หรือเสร็จกิจคมจัน์ เจ็ดิตในพระสากข์นาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจรริตนี้เองจรริตที่เคยเป็นเสียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานา น, านสักเท่าไหร่ จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปดวงปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไป นี่แลการนำเนินตามแบบพุทธทางธรรมงแังคาฉานจะมีจุดจุดท้ายตามที่อธิบายมานันเป็นสมมัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเสนะดังนั้นขอทุกทุกท่านได้ น, นำไป ระดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นํามาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกําลังความสามารถของเราทำก็งามกับเราตามขัน้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นชื่อว่าทำแล้วย่อมงามเป็นลําดับไปงามตั้งแต่ตนเรียกว่าอาธิกเนยานาัเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องตน้น เราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราเราปฏิบัติในไปในร้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในท้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงสุดสุดท้ายเรียก่าประโยส า, านะกัอยางถ้าธรรมก็ยิ่งงาม ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันนั่นริงขอุติธรรมเทศนาเพียงเทงังขอความสวัสดีมีใครจนเกิดมีเกียท่านตั้งหมาไโดยทุยนนักันเทิง